เจริญพรแ่ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเป็นประธานในการที่ดูแลบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนแล้วขอเจริญพรแด่ศรัทธายาโยมทั้งหลายทุกท่านที่จเจริญแล้วด้วยศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ในานามของประธานชมรมพุทธได้อารัธนาอรตามามารับอ่านบิณฑบาตตอนเช้าและตอนเที่ยงเที่ยงก็อารัธนาให้ธมามาปารบธรรมหรือแสดงธรรม อาตมาก็จะได้น้อมนําเอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาได้ประพฤติและปฏิบัติมาแล้วเห็นคุณค่ามาแล้วแล้วก็ได้สัมผัสมา ก, กับความเป็นจริงในการประพฤติและปฏิบัติธรรมที่เรามุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส แล้วเอาจริงเอาจังกับการประพฤติปฏิบัติทำจนจนเกิดความรู้ <c oughs> แล้วก็ความเข้าใจในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังทำมาแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังแต่รายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้สัมผัสกับท่านมาเช่น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 ของมนุษย์เราอยู่ได้ลมนั้นก็ทำให้ร่างกายของเราไม่เน่าไม่เปื่อยหมุนเวียนกันไปเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออ ก, แ, ก, ออกแม้แต่องค์ตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เคยได้กาหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกนั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาในวันที่พระบิดาพระสุทโธทธนะ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 แต่ในเรื่องของจิตใจบารมีแห่งพระพุทธเจ้านั้นแห่งสิทธัตถราชกุมารนั้นผู้บำเพ็ญบารมีมาม่าผู้สะสมบารมีมาม่าบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ยังสถิตอยู่ในหวัวใจไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนพาดขันมันจะโถมหมายตายจากไปพบแล้วพบเล่ลาาตดแล้วาตดเล่าเขาตามแต่ด้วยบารมีที่สะสมมา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 ปลูกอะไรอะไรอะไรก็ได้หมดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เกิดในแผ่นดินนี้มากมายทำก็สูงสุดก็เรียกว่าทองก็สูงสุดเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชุ่มชื้นนะความสมบูรณ์เอาเม็ดอะไรหว่านลงไปก็ขึ้นหมดเอาขาเอาตะไคร่จมลงไปในดินมันก็ขึ้นหมด นั่นเพราะว่าแผ่นดินดีมันจึงทำให้ไม้อะไรก็ขึ้นเหมือนหัวใจของเราทุกท่านทุกคนธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่ดีประเสริฐเลิศล้าแล้วเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันโอปะนะยิโกโน้อมเอาธรรมเหล่านั้นไปสู่ใจของเราเมื่อใจของเราได้ยินได้ฟงังธรรมใจเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรม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 ความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงไม่มีความอิจฉาทิสยาไม่มีในขณะนี้วัาแนั้นกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงมันถูกสต็อปไว้หยุดไว้ในขณะหนึ่งเพราะใจของเราไม่คิดใจของเราไม่ปรุงใจของเราไม่แต่งใจของเราไม่มีอาการปยาบาทศีล น, นั้นควบคุมจิตใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์กายเป็นเหมือนดังภาชนะนั่งสมาธิกัน พร้อมกันทํากายของเรานั้นให้ตรงเท้าฝ่าทับเท้าซ้ายบ้างมือฝ่าทับมือซ้ายบ้างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นเครื่องกังวลผูกปุกรัตปลุ ก, ล ก, ลลกเครื่องปลุกปันทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะความเป็นวิตกวิจญาณ์ปล่อยวางทั้งหมดตอนนี้ภาชนะของโยมนั้นเป็นภาชนะที่สะอาดบริสุทธิ์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 มาไม่ผ่องใสเราก็นึกถึงบุญของเราใจนั้นก็จะผ่องใสขึ้นมาทันทีนั่นเหมือนตู้เซฟนำขึ้นมาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นใครก็มาแย่งของเราเออกไปไม่ได้โจรก็พ้นเอาเราไปไม่ได้ฟไฟไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถที่จะมาไหม้เอาบุญบา ร, รมีที่เราสะสมของเรามาด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะเอาไปจากเราได้นี่แหละเป็นสมบัติของใครของเรา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 อยู่กับบริวารมากมายแต่ทไหนเลยพระองค์จึงไม่มีความสุขทไหนเลยพระองค์จึงไม่มีความเพลิดเพลินกับสมบัติเหล่านั้นที่พระาศาสดาพระองค <c oughs> ์สุโทโธตนะพระบิดาประธานพรให้ความเป็นพระหมหากษัตริย์ยกสมบัติในกรุงกบินลพัททั้งหมดให้แต่พระองค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สะสมบารมีมาได้เกิดมาเป็นสิทธัตถะราชกุมาร พระองค์สะสมบารมีมาไม่ได้ปรารถนาเป็นพระมหัศจรรย์พระองค์ไม่ได้ปรารถนามาเป็นนาสิตถีมหาเศรษฐีแต่พระองค์ทรงปรารถนามาให้พ้นจากอาสวะกิเลสพระองค์ปรารถนาเป็นอนุตรสัมมาสัมพธิญาณเป็นาศาสดาเอกของโลกเป็นผู้หมดอาสวะกิเลสนั่นสิ่งที่พระองค์พึงปรารถนาพระองค์จึงได้ทรงประทรมความภาคความเพียนมา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 ชาติเดียวแต่ต้องไปใช้หนี้ใช้สินรนะับเวญรับกรรมรับทุกทรมานอีกเป็นร้อยร้อยพันพันหมื่นมื่นชาติมันคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนจึงได้ปยายาตมาทานสินห า, านไวเพื่อให้จิตของเรานั้นบริสุทธิ์เมื่อจิตมันบริสุทธิ์มันก็จะรพร้อมรับธรรมที่บริสุทธิ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์หนีออกบวชเมื่ออายุได้สิบเก้าปีแล้วอยู่ในป่าในเขาอยู่กับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่ที่จะมาอุปถาคแต่พระองค์ก็อยู่อย่างมีความสุขจิตใจก็สบายร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารบำรุงเหมือนอยู่ในเมืองแต่พระองค์มีจิตใจที่ประเสริฐเลิศล้ำนะเมื่อใจมันอิ่มกายมันก็พออิ่มไปด้วย เมื่อใจมันนิ่งกายมันก็นิ่งไปด้วยพระองค์จึงอาศัยอำนาจแห่งเวลาทั้งหมดด้วยกันหกปีเต็มๆพิจารณาธรรมลองถูกลองผิดการอดอาหารบ้างกดน้ำอดข้าวบ้างนาอะไรต่างๆบ้างพระองค์ก็ทรงธรำกายขององค์นั้นเหมือนชาวอินเดียที่ทํากันเพราะฉะนั้นการที่ทําเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถบรรลุธรรมเลี้ยวแรงไม่มีร่างกายไม่มีเลี้ยวแรง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 พระาศาสดาก็ทงกาทำกายแห่งพระองค์ให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเมื่อทำกายให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองแล้วเมื่อกายบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแล้วป่าจะจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ก็เอาจิตที่พอมีสติมีกำลังอยู่นั้นเอาทำทั้งหลายทั้งปวงมาพิจารณามองไปรอบๆกายมองไปจากทั้งกายที่เคยสัมผัสทั้งจิตที่เคยได้ยินมา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 เขาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะเขามีความสามัคคีกันเขาไม่ต้องไปนั่งชกต่อยกันอิจฉาดิษยากันเขาก็ไม่มีเขาอยู่ยังมีความสุขนั่นสัตว์เดชานเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ของเรานักปราดบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงหน้าที่ใช้เวลาที่มีค่าแล้วก็เอาเวลาที่มีค่ามาสแสวงหาของที่มีค่าเหมือนสัตยาญาตโยมทั้งหลาย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 สติประฐานทั้งสีสติแปลว่าเรามีกันทุกๆคนอยู่แล้วสติปัะธานทั้งสีฐานของสติที่จะนําไปสู่ให้ความเห็นตามสภาวะเห็นความเป็นจริงพิจารณากายกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนานั่นเมื่อเอาสติเข้าไปพิจารนากายจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นรู้อะไรล่ะก็รู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยง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 พระศาสดาจึงตัดว่าสติปัฏฐานสี่เอาจิตของเรานั้นเมื่อมันนั่งสงบแล้วเราก็พิจารณาธรรมกายานุปัสสนาพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณาไปพิจารณามาจนเห็นความเกิดเป็นความรู้ขึ้นรู้อะไรละ่ะรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่สีตะลงไปจอดไปเท้าล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าทําให้เกิดปัญญาขึ้นเราไม่หนีเราไม่กลัว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 อารมณ์ตั้งหลายทั้งปวงที่เราพิจารณาอยู่เวทนาเป็นของไม่เที่ยงสุขเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เป็นของไม่เที่ยงอุเบกขาเป็นของไม่เที่ยงทําจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งนิ่งสงบอยู่อะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรมันจะหวั่นไหวก็ปล่อยให้มันหวั่นไหวอะไรจะเสื่อมโทมก็ปล่อยให้มันเสื่อมโทมไปใจของเราไม่ได้เสื่อมไปด้วยนี่เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าเวทนานุปัสนาทาให้เกิดความรู้ขึ้นะจิตตานุปัสนาล่ะ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 นะกินข้าวก็แม่กลัวคนเดิมแต่วันนี้ทำไมไม่อร่อยดูหนังดูละครดูก็ไม่มีความสุขไม่มีความเพลิดเพลินมันโทษละครหรือไม่ใช่มันโทษอาหารหรือก็ไม่ใช่นะเป็นคนละครเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่แต่ต้องกลับมาดูใจของเราใจของเราวันนี้มีปัญหาแก้ไขปัญหาไม่ได้ใจมันกำลังเป็นทุกข์อยู่เมื่อไรใจมันกำลังเป็นทุกข์จะเอาหนังสนุกันาไหนมันก็ไม่สนุก อาหารอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่อร่อยก็นี่แหละจริงได้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมดูแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันถ้าจิตของเรานั้นเป็นลูกหลานตถาคตเป็นทายาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจงน้อมเอาธรรมเหล่านั้นมาสู่ใจแล้วก็พิจารณาลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดมองเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้กลิ่นก็ตามทั้งมือทั้งแขนเดินไปเดินมาก็ตาม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 ทำให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจในสภาวะแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกท่านทุกคนมันมีอารมณ์เหมือนกันทั้งหมดแต่อารมณ์ก็อารมณ์แท้ๆนะโยมมันไม่ใช่ของแน่นอนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนลมที่พัดมาบางทีก็มาพัดทางจิตนี้บ้างจิตนู้นบ้างทําให้ใบไม้หวั่นไหวไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปไอลมต่อใหม่ก็จะตามหลังมาอีกจะแรงหรือค่อยกว่ากันมันก็อยู่ได้เหตุแห่ง กระแสพงลมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนให้เราพิจารณากันให้ดีประพฤติกันให้ดีปฏิบัติกันให้ดีทำอย่างนี้แหละพระศาสดาก็ทําอย่างนี้พระรหันต์ขี่นาศก็ทําอย่างนี้สมัยหลวงปู่สาวหลวงปูมั่นพ่อแม่กูบา ENCE, อบาจารย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟัน้นท่านก็สอนอย่างนี้ทําอาการอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรก็ตามก็เป็นอาการอย่างเดียวกัน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 เป็นคนที่เบียดเบียนคนอื่นเขาทางตายวาจาใจเราต้องทําเอาอย่างกับคนที่มีศีลมีอัตมีธรรมมีสัมมาคารวะมีจิตใจที่ประกอบด้วยความเมตตาธรรมนั่นความขยันมันเพียนเราก็ดูเขาเขาทําอย่างไรเขาถึงเจริญเขาทำอย่างไงเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งเราก็ดูเขาตามีดูปากมีถามได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สัมผัสกับประโยชน์ที่เราต้องการนี่แหละพระาศาสดา จึงได้ทํากายของพระองค์ให้บริสุทธิ์เมื่อทํากายขององค์บริสุถพระองค์ก็พิจานาธรรมเมื่อธรรมบังเกิดขึ้นกับใจแห่งพระองค์ท่านคืออริยสัจ ส, สีทุกสุโมทัยนิโรธมรรคมันก็เป็นธรรมที่มาจากความบริสุทธิ์เข้าใจมันนะนิโรธมันก็มีของมันอย่างนั้นนะมรรคข้อปฏิบัติของเขาก็มีของเขาอย่างนั้นนะเหตุ ate, ทําให้ทุกเกิดเขาก็มีของเขาอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเราห้ามเขาไม่ได้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 เจออารมณ์ไปบางทีก็โกรธขึ้นมาก็มีเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนธรรมะถ้ามันอยู่ในหัวใจของเราเราจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เราจะไม่เป็นทาสของมันอย่างเด็ดขาดเพราะเรามีธรรมะในหัวใจธรรมะเหล่านั้นคือคือเข้าใจเข้าใจด้วยเหตุและผลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปมองคนอื่นภาวนาดูใจภาวนาให้มันถึงใจ เมื่อภาวนาดูใจใจของเรามันขาดอะไรมันปรารถนาอะไรเราก็ภาวนาลงไปภาวนาลงไปให้มันเห็นความสงบให้มันเห็นความนิ่งให้มันเห็นความผ่อมใสและเบิกบานนั่นนัติสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติทำได้ระจ่วประพฤติดีทำจิตให้เบิกบานจำใสได้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 เมื่อทำนะบริสุทธิ์เข้าไปสู่หัวใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่บริสุทธิ์นั่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าน้ำบริสุทธิ์แล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้ทั้งหมดจะไปใส่ภาชนะอะไรก็ได้ทั้งหมดมันก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ผ่านการกันรองมาแล้วเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงคอยอบรมสั่งสอนพวกเรามาตลอดจนถึงได้ 45, สี่สิบห้าพันษาได้แสดงธรรมถึงแปดมืนสี่พันกันแต่เมื่อย่นย่อลงไปแล้ว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 แต่เราองค์แต่เราองค์แต่เราอ ง, องนั้นก็เปรียบเสมือนดังข้าวที่หุงมาจากหม้ออะไรก็ตามเมื่อข้าวมันสุกกินอิ่มเหมือนกันทั้งหมดธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออาหารที่เราไปเดินอยู่ตาม <c oughs> ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นั้นอาหารแห ล, ลากหลายกันไปปรุงมาด้วยวัตถุที่แตกต่างกันไป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 ธรรมที่พระองค์นั้มาแสดงนั้นเป็นธรรมบริสุทธิ์เมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์เราก็จะบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเหมือนดงสุภาสิทธิที่เอตมาได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปะบทเบื้องต้นว่าธรรมะจะอาสีเลนะสุขติงยันติสีเลนโะโพกสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโทสทเยศีนนั้นทําให้ชีวิตเรามีความสุข ความสุขของเราจะเกิดได้ก็เพราะอานาจแห่งศีลศีลบริสุทธิ์ความสุขก็บริรสุทธิ์นั่นศีเลนะสุขติงยันติศีลนําสุขมาให้ศีเลนะโพกสัมปทาศีล น, นาโพกสัพย์มาให้ทั้งภายในและภายนอกเมื่อจิตของเราดีมีศีลดีโพกสัพย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาเหล่านั้นเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามก็ได้มาโดยจิตที่บริรสุทธิ์นั่นศีเลนะนิปุติงยันติตัสมา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 เหมือนร่างกายของเราที่เปรียบเหมือนน้ําที่สกรปรกผ่านเกลื่อนกองที่บริสุทธิ์แล้วจะเอาไปเก็บไว้นานเท่าไรเท่าไหร่น้ําเหล่านั้นก็เป็นน้ําที่บริสุทธิ์จะดื่มกินก็ได้จะไปล้างภาชนะก็ที่สกรปรกก็สะอาดได้ใจของเราเมื่อใจของเรามีธรรมะเหมือนใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีธรรมะใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของหลวงปู่เสารหลวงปู่มั่นและพ่อแม่ครูบาอาจารย์อื่นๆ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 ทำแบบบ้านนมาก่อนแล้วก็ดูไปตามแบบตามแบบตามแบบแต่พอทำชำนาญขึ้นมาปับ๊บแบบเราก็ไม่ต้องดูแปลนเราก็ไม่ต้องดูมันสามารถอยู่ในสมองเราก็ทางานได้เลยทางานได้เลยไม่เสียเวลาแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะมีความชำนาญขึ้นฉันใดก็ตามธรรมะที่เราและท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นญาติโยมอย่าพึ่งถอแทะทำไปเถอะทำไปเถอะอาตมาเห็นแล้วดีใจ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 ของเราจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าตอนไหนมันก็สะอาดตอนนั้นเช็ดตอนไหนมันก็สะอาดตอนนั้นจิตใจของเราทําความเพียรตอนไหนมันกิตมันสงบมันก็มีความสุขตอนนั้นถ้าเราไม่ได้ทํานานเข้านานเข้ามันก็จะถูกกิเลสนั้นกืนกินลงไปความเกลียดค้านมันจะมาแทนที่ทําไปแล้วครูทํามาตั้งมากมายไม่เห็นมันได้อะไรเราจะเอาอะไรกันพระศาสดาทิ้งสมบัติทั้งหมดนะทิ้งเครื่องต้นเครื่องทรงทั้งหมดยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมด พระองค์ไปอยู่ในป่ามีอะไรไม่มีอะไรแต่พระองค์มีดีกว่านั้นดีตรงไหนพระองค์มีจิตที่ประเสริฐเลิ่อล้ำมีธรรมที่ประเสริฐเลิ่ล้ำจึงได้มาถึงปัจจุบันนั้นนั่นเพราะถ้าพระองค์ไม่ละล่ะถ้าพระองค์ไม่ละติดหยุดสมบัตินั่นมันจะได้หรือมันไม่ได้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 แล้วเราไม่รู้แล้วใครจะรู้เทวดามารู้กับเราที่ไหนเราเป็นคนทำํำเราก็เป็นคนได้ข้าวเราเป็นคนกินอิม่มคนเป็นคนกินเราก็เป็นคนอิม่มกินน้อยอิม่มน้อยกินมากอิม่มมากนี่แหละคือความเป็นปัะจธรรมละนี่แหละคือเป็นผู้ฉลาดละนักปราชญ์ล ะ, สะแสวงหาอะไรก็ตามที่มันมีคุณค่าเอามาใส่ในตัวลงตนเราแล้วเราก็จะเกิดคุณค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาชนะมันสกรปรกแต่เราก็ชำระล้างด้วยน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์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 มันสกปกทุกวันเราก็อาบน้ำมันทุกวันเสื้อผ้าใส่ทุกวันเราก็ซักมันทุกวันเสื้อผ้าจึงสะอาดอยู่ตลอดเวลาบ้านเราสกปกทุกวันแต่เราก็เช็ดถูมันทุกวันต้นไม้ปลูกแล้วมันก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินมันจึงจะออกดอกออกผลฉันใดก็ตามธรรมะก็เป็นฉชนนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราอาตมาเห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจและอนุโมตนา กับพวกเราทุกคนเอาตอนนี้ไปอาจารมาก็จะพาโยมนั่งให้เงียบๆนั่งสมาธิจะไม่พูดละสิ่งที่พูดมาแล้วหวังว่าญาติโยมทั้งหลายคงเข้าใจใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเราวค่อยถามค่อยตอบกันแต่ตอนนี้เรามาอาศัยความสงบความนิ่งตามที่เราและท่านทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำกันมาองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพาทำกันมาเอาความสงบทําจิตให้มันสงบ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 ขอให้หัวใจของเรานั้นอยู่กับความสงบอยู่กับความเป็นสมาธิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอพระประมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโปรดมาทานพรเมตตาให้พวกเราทุกท่านเราทุกคนจงได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจงมีสติที่ดีสมาธิที่ดีปัญญาที่ดีจงเกิดขึ้นในหัวใจของเราณนะบัด น, นี้ก็ให้เราค่อย ความรู้สึกเี่เราอยู่กับความสงบเข้ามาสู่ความรู้ในปัจจุบันนะฮะจิตใจของเราจะได้ไม่มึนไม่งงแต่เราออกมาเร็วเลยเนี่ยรับรู้เลยเนี่ยมันเร็วเกินขณะที่จิตเรานิ่งเรามารับรู้เลยเนี่ยบางทีมันทําให้เรามึนงงเราค่อยๆค่อยๆพอนั่นงใจเรียบร้อยค่อยๆลืมตาขึ้นมา หลับรู้ย่โยมดีมากเนาะต่อไปข้างหน้าพาลหันก็จะได้เกิดขึ้นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยฐานของจิตเนี่ยไปไหนไม่ได้นโยมนอกจากถ้าเราไปคิดชั่วโลกียะฌานสี่ถึงแม้ว่าได้แล้วถ้าจิตมันชั่วมาไม่ฟังพระพุทธเจ้าก็สามารถลงนรกได้แต่ฐานของจิตเราเนี่ยถ้าไม่เราไม่ไปทำเบนทํากรรม ที่ลายแรงฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือทำมอนันตริยกรรมเนี่ยขงโลมยังไปอื่นไปไม่ได้ห้อกโยมแตงแม้ว่าจะเป็นระยะที่ยาวหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไปจุดหมายไปลายทางช้าๆได้พาเล่มนามเนี่ยเราก็ทําใบของเราไปเรื่อยเรื่อยรู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้ไปเรื่อยรเรื่อยเมื่อเรารู้ไปมันก็แจ้งไปเรื่อยเรื่อยแจ้งไปเราเลยเราเดินจากความมืดเข้าไปหาแสงสว่าง มันจะมีทางไม่มีทางเขาจะไปเจอแต่ความมืดไม่มีทางมันก็จะเข้าไปหาแสงสว่างแสงสว่างเหมือนเราอยู่กลางคืนเนี่ยเช้ามืดเรานั่งเนี่ยนั่งไปนั่งไปมันจะมืดไปเรื่อยๆไม่ใช่มันจะเข้าไปสู่กับแสงสว่างแสงสว่างพอไปเจอแสงสว่างพับเราจะเห็นทั้งหมดเลยต้นไม้อ่ อ, อนต้นไม้แก่ต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยอะไรต่างๆต้นเป็นมงกลไม่เป็นมงกลทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นทั้งหมดเลย เสียงดีเสียงไม่ดีมันจะได้ยินทั้งหมดเลยหูนี่มันจะเปิดหมดจิตมันจะรับรู้ทั้งหมดอนะ่ะให้รู้เลยนั่นวะนั่นคือธรรมชาติเมื่อเรายอมรับธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยชีวิตของเราจะไม่มีคําว่าอะไรต่างๆมันนโยมหลายๆคนที่มีเงินมีทองมากๆมียศถาบรรดาศักดิ์มากๆแต่ไม่มีธรรมในหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวยมว่าสมบัติเหนั้นเอาไปได้เลยไปไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เอาไปไม่ได้ แต่สิ่งที่เอาไปได้ถึงคือกรรมและเวรที่ทาไมนั่นนหะเอาไปแล้วแล้วมันยมจะไปไหนลนะ่ะพุทธเจ้าบอกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราคิดทำในสิ่งที่ไม่ดีนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเนี่ยนี่พระศ า, ศ, าศาสดาสอนอย่างนั้นพระอรหันตสาวกก็สอนอย่างนั้นเราเชื่อพระศ า, ศ า, ศาสดาเราจึงต้องมาทำอยู่อย่างนี้นะทุกคนมาด้วยความยากลาบาก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 เราปลูกลงไปแล้วต้นไม้นั้นนั้นถูกดูแลดีเนี่ยมันจะไม่ออกลูกเลยลูกออกมาจะเป็นเปรี้ยวเลยมันเป็นเปรี้ยวไม่ได้มันต้องเป็นหมันแล้วต้องลูกใหญ่นี่เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเราอยู่กับธรรมชาติตั้งหมดอย่าไปสนใจเรื่องของเสียงอย่าต้องไปสนใจการทำงานเนี่ยของเราเนี่ยทางานเราเต้องอยู่กับอุปสรรคไอ้ใจของเราเนี่ยมันไม่ทลัยหรอก แต่ไอาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจวมวูกเนี่ยที่มันเข้ามาสู่ใจเราในที่มันไปดึงอะไรต่างๆมาเนี่ยผลที่สุดไอ้จิตตัวเนี้ยมันสําคัญที่สุดพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าแก้ที่จิตเนี่สุขมันก็อยู่ตรงนี้ทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้หยาบละเอียดมันก็อยู่ตรงนี้ปัญหาทั้งหลายทั้งป่วมันอยู่ตรงนี้นรกจกเปรตอะไรต่าง ๆ, ๆอยู่ตรงเนี้ยความอิจฉาเสียใหา่เมันอยู่ตรงนี้พุทธเจ้าเลยให้แก้ตรงนี้ถ้าแก้ตรงนี้ได้ เห็นคุณค่าของการแก้ได้แล้วรักษาใจของเราให้ดีเป็นปกติโยมไม่มีทางจะหลุดรอดออกไปทางอื่นแน่นอนมันก็เข้าไปสู่ดินแดนแห่งมรรคนิพานจะไปอื่นไปไม่ได้เพราะเส้นทางเส้นทางที่เราเดินไปเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากเราเดินไม่ใช่เส้นทางที่เรากาหนดเดินแต่เป็นเส้นทางที่พระเจ้าวางหลักไว้พ่อแม่ครูบาาจารย์วางหลักไว้ แล้วเราเดินไปตามเส้นทางนั้นมันจะไปไหนถ้าไม่ใช่โสดาบันสกีทคานาคาหรือพารหานันมันต้องไปของมันแน่นอนอยู่แล้วทํายังไงก็ไม่มีทางไปอย่างอื่นได้เพราะว่ า, เรา เ, นนานะเราเดินในสิ่งที่ถูกทางะเราเดินในสิ่งที่ถูกทางมันเป็นคุณค่าที่มหาศาลมากอัตมาก็เหมือนกับโยมนี่แหละเราก็ยังไม่ได้พ้นนะโยมกิเลสยังมีท่วมหมัวท่วมตัวเราอยู่แต่เราระวังมันอยู่ทุกวัน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 อาจารย์จะว่ายังไงเขาก็เอาฟังมามีคนหนึ่งเป็นนักภาวนาไปถามปัญหาหลวงตามาบัวเรานี่แหละไปถามที่บ้านตานั่นน่ะหลวงตาเจ้าคะ่ะหลวงตาเจ้าค่าพรนษานีลูกไม่มีความทุกข์เลยลูกมีแต่สุขอย่างเดียวตลอดเลยน่ะเรามีสุขอย่างเดียวตลอดเลย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 เพราะอะไรกองข้งเดียวยอมว่ามันสะอาดเหลื อ, อย a n g เพราะไอสมาธิจิตที่มันเป็นสมาธิเรามาถามหลวงตาเหล่านั้นถามเพื่อไอ้หลวงตาชมเข้าใจไหมให้หลวงตาชมว่าเอ้ยคนนี้เขานั่งภาวนาจิตเขาสงบตั้งแต่ในบรรษาสามเดือนเขายังไม่เคยเป็นทุกข์เลยเขามีความสุขตลอดเขาไม่ได้โกหกแตจะบอกว่าเขาคนนั้นพ้นแล้วเหลื อ, อย a n g เพราะเครื่องกระทบแกไม่มีแกอยู่คนเดียวอ่ะ ภาวาอยู่คนเดียวอยู่กับสมาธิคนเดียวยังไม่ได้เจอเครื่องกระทบลงไปดูอีดอกสุสตีด้มันจะเป็นอย่างไรใช่ไห ม, ม น, นี่ลุงปู่ไม่นะลุงปู่ไว ย, นะยนะ์ยังรู้จักลุงปู่ไวย์ไหมลุงปู่ไวยเมื่อก่อนอยู่อยู่ที่อยู่ที่สรนะบุรีเนอธรรมา ก, ก็อยู่กับท่านนะอันนี้ก็มาถึงโอ้โหยมาคุยธรรมะ ก, กับท่านอธรมา ก, ก็นั่งยิ้มเฉยๆอยู่ในใจใวันนี้ลุงปู่จะทดสอบอะไรเนี่ยไงนะ โอ้ยนี่มาก็คุยดังมันเริ่มคุยดังที่แรกเหมือนมันจะเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเนาะลุงปู่ไม่ว่าไงเพราอพาคุยไปคุยมานุงอยู่ว่าอีดอกนั่นแองละ่ะปุ้ดขึ้นทันทีเลยสะบัดตูดออกไปเลยลุงปู่ไม้ทั้งกะลุงปูไ่ไว้ทั้งก็ยิ้มเฉยๆนั่นมันออกแล้วมันออกแล้วเนาะนั่นแหละยมพอเจอของจริงเ้าไงยมเพราะฉะนั้นเครื่องทดสอบเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบที่ตั้งแต่อ่อนแล้วจนเป็นแรง เนาะอันนี้วันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวโยมจะได้รับพรกันเนะาะใครมีปัญหาอะไรจะถามก็เดี๋ยวค่อยถามอันนี้ก็ถวายของก่อนเดี๋ยวโยมจะได้รับพรอ่าสาธุเด้ออ่าอโยมเตรียมตั้งใจรับพรเนาะเพราะธรรมะ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 พอออกผลมาเล่านั่นแหละเป็นผู้ได้เก็บผลประโยชน์จากต้นไม้ต้นนั้นเพราะนั้นเราก็เหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นอาตมาขออนุมโมทนาเมื่อกี้นี้ดูแล้วถ้ามันมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีจิตทุกดวงเนี่ยอาตมาเหมือนนัตามายอยู่องค์เดียวระหว่างที่นั่งหลับตาสมาธิทุกคนเงียบๆแต่จิตนั้นสว่างทั้งหมดจิตทั้งสว่างทั้งหมดด้วยอัดด้วยทำรรที่โยมตั้งจิตตั้งใจ ทำความภาคความเปลี่ยนกันแต่เสียงไม่มีนี่คือความสงบแต่แสงพรังนั้นมันไม่สามารถจะอะไรปิดกั้นได้น่ะไม่มีอะไรปิดกั้นได้พอลืมตามาโหย่าโยมเต็มห้องก็เพราะอะไรล่ะเพราะจิตของเราอยู่กับความสงบความสงบนั้นก็คือนัตนติสันติพรังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเพรอโยมก็อยู่กับความสงบทําไปเรื่อยๆทํำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ เราคนหนึ่งละที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดทุกคนนี่แหละจะไปอยู่ในสถานที่บรมสุขที่สุขอันิยต์ยิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานจะไปไหนไปไม่ได้นะปลูกมะเขือต้องได้มะเขือปลูกข้าวได้ข้าวปลูกถั่วได้ถัว่วปลูกมันได้มันจะเป็นเป็นอื่นไปไม่ได้แต่ปลูกถั่วได้มันนี่ไม่มีในโลกนี้ทําดีได้ชั่วไม่มีทําสมาธิเราจะต้องไปนั่งตกนระกไม่มีถ้าเราไม่วปคิดทําในสิ่งที่ชั่ว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 เอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปการปติอิจจิตังปจิตังตุมหังกิตบะเมวสมิตจันโตสับเบปุเรนตุสังขปะจันโนปนารโสยธามนิโชติรโสยธาสัมเบอันติโยอวิวันจันโตสะปโรวันโคเวินาท สันตุมาเต็มภวัตวันตาเรียนสุขินติกายอยู่กุมภวาบิวันทนาศิริเรนสนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารวนธรรมาวัต ทันติอายุวันโนสุขังภาระอายุวัตทกาธนวัตทกาสิริวัตทกายาสาวัตทกาพันละวัตทกาวันณวัตทกาสุขวัต ตาาโหตุสามภทานทุกขารวรคำใบยาเวราโสกาสันตุจุปัเทวาเนกาอันตารายามปิวินตสันตุจะเตียนชัสาชยสิทธิทินางรามพังโสต ทิพยาขยังสุขังพลังสิริงอายุจาวันโนันจ่าโปทางวุทีเจียสวาสันตวานสาจายุจาจิวาสิททิพวันตุเตาวันตุสามบามังคารั รักขันตุสามปาเดวตะสามบบุญทานุภเวนนสัานสุทีพะวันตุเตมพะวันตุสามพัมมังคารังรังขันตุสามปาเทวาตะสามบธรรมานุภาเวนนสัานสุท ทิพวันตุเตมพวันตุสาพะมังการังรักขันตุสามบาเทวตาสาภสังคานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเต